เราจะเห็นงน่าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยว่าลุกขโมยเส้นานาถนังเป็นต้นนะจังไม่ไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอปราสานนั้นราชมุนลเทียนนั้นตึกนั้นมีนหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่จะเป็นที่ ท, าทําลายกิเลสลงได้สถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมสําหรับพระเพระนาะฉะนั้นพระองค์จึงต้อง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 จเจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช น, นั้นเป็นพระพุท ธ, ธเจ้ า, นนธธาด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็จเจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกข์ได้ในที่เช่นนั้นการสอนทำแก่ผู้เด็ดดเียวอาหาที่จะมุ่งความพ้นทุกข์โดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เชนั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความหลุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลานานมาเกิดม า, มาตายไม้เอาไปฆ่าที่นั่นที่นี่อยู่มยไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนว่า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 สุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่นี่พระพุทธ้าณท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่อนอนุปปิกรารฐานห้าอย่างนี้ทานศีลเนี่ยครับสวรรค์เนี่ยข้านนขมาเือ่อยเรื่อยๆในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจําพวกก็ได้นี่แล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงอาทินวกถานแล้ยก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 ที่จะไม่ตายได้เพราะฉะนั้นความเพียรใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะ น, น, นี้เรานี้เลื่มแข็งขวายเชื่อธรหมัดนี้สร้างเสียให้พอกุศลธรรมมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของเราเมื่อทันนี้แล้วกุศลธรรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอรุษนาพอตัวแล้ว ดื่มคำก็พอพอใจอยู่เป็นจกอยู่ในกระสุขยิมตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหวยกับอะไรทั้งสิ้นมหมดความหิวหวยท่นน่ะนิจฉาโตปริญญบุตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินพผ่านเลยคือหมายคมว่าดับรอบหมดไม่มีจินใดเหลือนิจฉาโตปริญญบุตความหิวโหวยอะไรทั้งหมด